จเจริญพรท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะสุสันติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ดำเนินรายการโดยคณะสิทธิในพระเดชพระกุลดุลพ่อปากน้ําท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรคณะนี้ก่อตั้งวัดหลวงพ่อสดธ ร, รมกายารามขึ้นที่อําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีด้วยความร่วมมือสองโครงการ คือโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ําภาษีเจริญและโครงการพุทธภาวานาวิชาธรรมกายวัดสเกต ร, ราชวรมาวิหารวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเป็นทั้งสำนักอบรมและปฏิบัติพระกรรมฐานและเป็นทั้งสำนักเรียนพระปติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะให้เป็นสํานักปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งต่อจากวัดปากน้ําภาษีเจริญที่จะทํารงรักษาไว้ซึ่งธรรมปฏิบัติ ตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ที่ยงตรงและสมบูรณ์ถูกต้องทุกขั้นตอนตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปากน้ําท่านได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้โดยตรงแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกสลเทระวีระคณุตโมรองเจ้าว่าดพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระวัดปากน้ําภาษีเจริญองค์ปัจจุบันผู้เป็นทั้งสัตว์ที่วิหาริกและเตวาสิกในพระเดชพระคุณหลวงพ่อและกับวิปัสนาอาจารย์อื่นๆ ผู้ได้รับถ่ายทอดวิชาธรรมกายโดยตรงจากท่านวันหลวงพ่อสดได้กำหนดให้มีการอบรมพระกรรมฐานเป็นประจำทุกปีปีละสงรุ่นได้แก่รุ่นกลางปีระหว่างที่1ถึงวันที่เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างที่ 1-15 ถึงวันที่เดือนธันวาคมท่านสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติสมถะอิปัสสนากรรมฐานสามารถที่จะไปขอเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานตามระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่ประการใดสำหรับรายการธรรมะส่สันต์ในวันนี้จะ ไ, ได้นำธรรมบรั ร, ร, ร, ร, รยายของหลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมชัยชยะมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรมกายยารามจะได้เสนอครั้งไว้จากครั้งที่แล้วในเรื่องหลักธรรมสำหรับปีใหม่ว่าด้ยเรื่องอภัยฐานมาเสนอแต่ท่านผู้ฟังอีกครั้ง ท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่หนึ่งเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2537ให้แก่ท่านสาธุชนประมาณ 300-400 ท่านที่ได้ตั้งใจเข้าไปศึกษาและปฏิบัติพระศิธรรมทำบุญให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาธรรมในวันขึ้นปีใหม่ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอธมศูน์จังหวัดราชบุรีทั้งนี้ให้ท่านสาธุชนนั้นเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถนําหลักธรรมนั้นไปใช้เป็นคติธรรมเครื่องดําเนินชีวิตเป็นหลักธรรมที่จะนําพาชีวิตของตอนนั้นให้เกิดความสันนิษุาร่มเย็นเป็นความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในชีวิตของตัวเองของครอบครัวและของสังคมประเทศชาติสืบต่อไปฉะนั้นจึงขอเชิญท่านสาธุชนสับละฟังธรรมะบรรยายในเรื่องหลักธรรมสําหรับปีใหม่ ซึ่งหลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมชัยชยะมังคโลได้บรรยายถึงการขอเข้ามาค้างเอาไว้จากครั้งที่แล้วและในช่วงท้ายของรายการนี้ท่านได้พาและนําท่านสาธิชนขอเขมาพระพุทธธรรมประสงค์และขอเขมาโทษต่อกันละกันฉะนั้นจึงขอเชิญทุกท่านตัดรับฟังได้ดังนี้การขอเขมาเนี่ยก็จะพูดเหมือนกัน ตรงนี้แหละขอเขามาเพื่ออะไรขอเขามาเพื่อให้มันหมดเวรหมดภัยกันถ้ามันไม่หมดมันจะอยู่ในสันดานเรานี่แหละแล้วมันจะไปโผล่ออกเมื่อเหตุปัจจัยประกอบให้มันโผล่ออกได้มันโผล่อีกโผล่มากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ผูกเวรกันต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละ คือคนที่ไม่สัมรวมไม่ระวังกิริยาอาการกล่าววาจากิริยาแสดงกิริยาหรือแม้ใจที่ไม่สัมรวมไม่ระวังไปกระทบกระทั่งกระเทือนเบียดเบียนผู้อื่นจะเจตนาก็ตามหรือไม่ได้เจตนาก็ตามล้วนแต่ว่า การกระทานั้นเหมือนกับมีหอกมีดาบอยู่ในปากอยู่ในท้องของตัวมันไปกระทบคนอื่นเท่าไหร่ตัวเองมีไว้เท่าไหร่มันกระทบตัวเองนั่นแหละด้วยให้เดือดร้อนให้มีเวรมีภัยผูกเวรผูกภัยซึ่งกันและกันไปจากน้อยไปหามากเมื่อไปหามากแล้ว เรากลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยใครไปตรงไหนก็เดินก็เดินหลีกหนีแหละไอ้ตรงนี้แหละมันเริ่มแสดงผลให้ตัวเองปรากฏนักหน้าเข้าบางคนน่ถึงจะมีการกระทําคุณความดีที่ไหนก็ไปกับเขาไม่ได้เพราะมันเข้ากับใครเขาไม่ได้นี่เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเป็นเรื่องหยาบในฝ่ายของผู้ที่มักไม่สํารวมแล้วกระทบกระทั่งคนอื่นการจะแก้เรื่องนี้มีอยู่สองประการประการที่หนึ่งต้องเป็นคนที่มีมานะทิฐิที่คลายลง คลายลงแล้วยอมรับความผิดความไม่ถูกต้องของตัวเมื่อยอมรับแล้วเราเคยกระทบกระทั่งใครเราเคยเบียดเบียนใครอย่างน้อยปีหนึ่งไปขอโทษเขาซะอย่าไปเก็บหอกเก็บดาบไว้ในปากในกระเพาะของตัวเองมีแต่โทษไม่มีคุณแต่ประการใดมีแต่หนักไม่มีเบา การไปขอโทษขอขามานั้นจุดมุ่งหมายเพื่อให้ตัวเองสำนึกผิดแล้วได้มีสติเป็นข้อเตือนใจว่าเราจะสำรวมระวังต่อไปนั่นถ้าตนเองทำได้อย่างนี้ผู้นั้นเท่ากับคายอาวุธคือหอกคือดาบออกจากปากของตน มอบให้แก่แม่ธรณีหรือพื้นดินหรือลมฟ้าอากาศไปเสียมอบตรงหน้าที่ไหนเรามอบตรงหน้าผู้ที่เรากระทบกระทั่งเมื่อได้ทำเช่นนั้นแล้วผู้ที่ได้รับความกระทบกระทั่งที่เป็นบัณฑิตที่อบรมใจดีแล้วก็อภัยกันอย่างเกลี้ยงหัวใจเกลี้ยงหัวใจไม่มีอะไร เพราะกิริยาที่ผู้กระทบกระทั่งมาแสดงนั้นเป็นกิริยาที่ยอมรับผิดมันก็เกลี้ยงหมดเวรภัยก็หมดเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ตัดสายไฟที่คือเวรภัยที่มันจะเชื่อมถึงกันให้ขาดขาดทั้งสองฝ่ายมว้วนหัวของสายไฟนั้นกลับเข้าตัวคือเก็บมานะ ละทิฐิทั้งสองฝ่ายไอเวรภัยมันก็ไม่มีเพราะถูกคายหมดจากทุกฝ่ายแล้วถ้าทำด้วยอาการที่เหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับกันได้ตัวเองผู้กระทำนั้นน้อมใจไปด้วยสำนึกผิดผู้ที่ถูกกระทบกระทั่งก็ยินดีในความให้อาภัยที่เห็นคนอื่นที่เคยผิด มาแก้ตัวมาสำนึกผิดแล้วให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีเวรมีภัยต่อกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นสุขเป็นสันติสุขเป็นสันติสุขสันติสุขจริงๆเวรภัยจะไม่มีอีกเพราะมันไม่มีอาวุธหรือสิ่งมีคมอย่างนั้นสิ่งมีพิษอย่างนั้นอยู่ในปากอยู่ในกระเพาะของผู้ใดนี่แหละ ในสมัยโบราณของเราจึงมีการขออภัยผู้น้อยขออภัยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้อภัยผู้น้อยก็ขออภัยผู้น้อยด้วยเช่นกันเป็นการกระทาตอบกันในเทศกาลปีใหม่บ้างในโอกาสวันเกิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ้างในโอกาสวันสงกรานต์บ้างปีใหม่ไทยปีใหม่เทศ และก็วันคล้ายวันเกิด น, นี่เขามักจะทำกันโบราณจะทำกันและนอกจากนั้นแม้ว่าจะนึกได้หรือนึกไม่ได้ก็ทำไว้เป็นการแสดงสามีจีกรรมการเคารพนับถือซึ่งกันและกันก็ทำกันเหมือนกันเขาทำกันเหมือนกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษสุสงฆ์ ท่านจะเห็นทีเดียวพระภิกษุสงฆ์นี่ขอขามากันผิดนิดผิดหน่อยเราขอขามาเลยเพราะอะไรธรรมเนียมของภิกษุจึงมีอย่างนั้นเพราะเหตุว่าภิกษุเป็นผู้รู้ภยัยเห็นภัยในวัดตะสงสารในเรื่องเวรกรรมแล้วเรารู้เราเห็นเราเข้าใจตามส่วนของแต่ละคนได้เรียนรู้มาทีเดียวจึงมีสอนสืบต่อๆกันมา มีการปฏิบัติสืบต่อๆกันมาจากพระวินัยพุทธบัญญัตินั่นทีเดียวมีทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวิธีประพฤติปฏิบัติต่อกันที่เรียกว่าทำสามีจิกรรมต่อกันพระภิกษุสามเณรเนี่ยเขาทำกันเป็นเป็นการล้างใจจะเรียกว่าน้ำใจทุกหยด อย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันเพราะเรารู้ว่าเวรภัยนั้นๆมันไม่ใช่ขัดข้องต่อการดําเนินชีวิตอย่างเดียวมันขัดข้องไปถึงการบรรลุธรรมด้วยมันเป็นเวรภัยถึงอย่างนั้นทีเดียวถ้ามองให้ดีจะเห็นจะเห็นทีเดียวเพราะฉะนั้นอาตมาพูดเพื่อชี้ให้เห็นเป็นข้อธรรมะ ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาลดมานะละทิฏฐิของตนทุกฝ่ายที่นับตั้งแต่ฝ่ายที่ไม่สำรวมระวังกายวาจาใจสแสดงออกกระทบกระทั่งเบียดเบียนคนอื่นมากก็าตามน้อยก็าตามเจตนาก็าตามไม่ได้เจตนาเพราะความพลาดพลั้งเพราะเป็นนิสัยสันดานของตนพูดไม่สำรวมไม่ระวัง สแสดงไม่สํารวมไม่ระวังอย่างไรก็ตามให้สํานึกทีเดียวนึกทีเดียวว่า น, นี้เป็นเวรภยัยที่ว่าถ้าเราเก็บไว้เหมือนกับเก็บคมหอกคมดาบไว้ในปากไว้ในกระเพาะให้มันจเจริญงอกงามสแสดงตัวออกมาในยามที่เหตุปัจจัยได้พอเหมาะที่มันจะเกิดมันก็เกิดอีก และเมื่อมันหนักเข้าเราจะเห็นผลเหมือนว่าความไม่ดีใดๆความชั่วใดๆถ้าว่ายังไม่เห็นผลก็จะนึกว่าไม่เป็นอะไรคนที่ทำผิดก็ผิดเรื่อยไปไม่เป็นไรผิดอะไรอะไรเราก็ต้องนึกทีเดียวว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วอย่างนี้ผิดไม่ได้ผิดเป็นแก่เลยเพราะเมื่ อ, อไร่ที่กรรมให้ผลเราจะรู้ทีเดียวว่า มันเป็นพิษภัยอย่างยิ่งแต่ถ้ามันยังไม่ให้ผลเราจะเห็นมันเหมือนกับมันเป็นน้ำผึ้งเราทำได้สบายอกสบายใจสะใจไอ้คาว่าสะใจนั่นแหละที่เรานึกถึงว่ามันเป็นเหมือนน้ำผึ้งที่แท้มันเป็นยาพิษที่แท้มันเป็นยาพิษเพราะฉะนั้นจงคายออกถ้าใครมีอยู่ในใจคายออกแต่ส่วนผู้ที่เคยถูกกระทบกระทั่งใดๆก็ตามคายเหมือนกันอย่าไปเก็บมันไว้ คายได้เท่าไหรหมดจากจิตใจจากสันดานเท่าไหร่เราจะเบาเท่านั้นสบายมากเท่านั้นอันนี้อาตมาก็ได้เห็นผลที่ตัวเองที่ค่อนข้างจะคายไม่ได้กล่าวว่าตนเองนี่บรรลุคุณธรรมสูงนะแต่ว่าได้ฝึกฝนเรื่องนี้มามากพอสมควรแล้วก็ประสบในความรู้สึกตนเองว่า ผลที่เราได้ทําไปนั้นเกิดแก่จิตใจของเราให้เป็นความผาสุขเป็นความผาสุขเพราะสันติสันติเราตัดขาดซะอย่างหนึ่งเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดเหมือนตัดสวิตไฟเวรภัยไม่มีข้างหน้าและถ้าเราเองไปกระทบกระทั่งใครก็นึกรู้เลยขอโทษเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่รีบไปขอโทษเขาซะ ยิ่งพวกพระพวกเนนแล้วเขาขอโทษกันเร็วขอขมาโทษกันเร็วไม่ช้าเลยอย่างน้อยก่อนออกพรรษาเรียกว่าวันมหาปวารนา น, นบอกกันเลยทั้งสองอย่างลถมาณนะละทิฐิสแสดงปวารณากรรมต่อกันว่าถ้าว่าผมทำอะไรไม่ถูกต้องถ้าว่าพระคุณเจ้าเห็นว่าผมทำอะไรไม่ถูกต้องก็ได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์แนะนาสั่งสอนด้วย แล้วเมื่อผมเห็นความผิดนั้นผมจะทำคืนคือผมจะแก้ถ้าทำอาบัติก็จะแก้ปรงอาบัติแล้วก็จะเลิกทำสำรวมระวังต่อไปแต่ถ้าไปก้าวล่วงใครก็มีการทำสามีกิกรรมต่อกันขอขามาโทษกันเป็นประจับที่วัดนี้ทำทุกวันพระทำทุกวันพระคือว่าเมื่อถึงวันพระทีก็ ลงปาติโมกหมายถึงวันพระลงปาติโมกนะลงวันอุโบสถลงลงปาติโมกเสร็จก็พระที่อ่อนอวุโสก็จะกราบเพื่อแสดงสามีจิกรรมทําความเคารพนอบน้อมรวมไปถึงการตั้งใจขอขมาพระเทระผู้ใหญ่หรือพระทีเ่เหมือนอย่างอาตมาก็คือว่าเป็นเจ้าอาวาสและก็พระเทระผู้ใหญ่ตั้งแต่สิพรรษาขึ้นไปเราก็พรรษาผู้ที่พรรษาอ่อนกว่าก็กราบ เราทำกันแล้วเราก็อภัยกันจึงอยู่ด้วยกันด้วยความสันติสุขมีอะไรก็พูดกันง่ายนี่อันนี้ซึ่งอาตมาไม่ค่อยได้แนะนำญาติโยมในเรื่องมานะทิฐิแล้วกระทบกระทั่งกันแล้วนั่นเป็นเวรภัยที่เหมือนกับอมยาพิษหรือเหมือนกับอมอาวุธมีคมหอกคมดาบเป็นต้นเอาไว้ในใจของตน ใครอมไวมากคนนั้นก็ทุกมากและจะมีผลเดือดร้อนเสียหายต่อไปข้างหน้าอีกมากถ้าใครคายออกหมดเท่าไหร่สบายใจสันติสุขเท่านั้นเพราะว่าธรรมะอื่นได้ให้ญาติโยมไว้มากแล้วแต่ธรรมะคนนี้เพิ่งจะพูดเพราะเห็นว่าเป็นวันปีใหม่เพื่อให้ทุกท่านได้ตั้งใจสละอภัยให้แก่กัน ให้หมดไปในปีเก่าปีใหม่เราก็ดำเนินชีวิตไปด้วยดีและก็อยากใช่เป็นธรรมเนียมของวัดเราว่าญาติโยมกล่าวขอเข้ามาพระพุทธรรมประสงค์ในปีใหม่เนี่ยสักครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าวซึ่งกันและกันเดี๋ยวจะบอกวิธีให้ย่อๆเพื่อจะได้เป็นผู้ไม่มีเวรมีภยัยต่อกันเอาละ ทุกท่านตั้งใจคุกเข่าขึ้นตั้งใจนะตั้งใจทีเดียวล้างใจของเราว่าเคยล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ตั้งแต่พระภิกษุเป็นองค์องค์ไปจนถึงภิกษุสงฆ์โดยส่วนรวมตั้งใจทีเดียว ว่าณโมสามจบพร้อมกันข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ พ, พ, พ, พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ หากข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดี และที่จะมีในอนาคตต่อไปก็ดีข้าพเจ้าขอขมาโทษแก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดโทษแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้สำรวมระวังกายวาจาใจสืบต่อไปเอาล่ะทีนี้กราบลงสามครั้งเอาทีนี้ระวางญาติโยมด้วยกันเองให้ตั้งใจทีเดียว ตั้งใจทีเดียวนะว่าหากเคยล่วงเกินซึ่งกันและกันก็ให้หมดเวรหมดภัยอย่าได้ถือเป็นเวรเป็นภัยอภัยให้ซึ่งกันและกันตลอดกล่าวพร้อมๆกันว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญหากข้าพรเจ้าได้เคยล่วงเกิน แก่านผู้ใดเจตนาก็ตามไม่ได้เจตนาก็ตามมาแต่อดีตก็ตามในปัจจุบันก็ตามและที่อาจจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามข้าพเจ้าขอขมาโทษ แกท่านผู้ที่ล่วงเกินนั้นขอท่านผู้ที่ถูกล่วงเกินนั้นจงได้โปรูดอภัยแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ขอให้อภัยแก่ท่านผู้ใดก็ตามที่ล่วงเกินข้าพเจ้า ด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีจากอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีและที่อาจจะมีในอนาคตก็ดีแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงมีความสันติสุขและร่มเย็น มีความสุขสวัสดีตลอดกาละนานทืนอาละยุคมันนั้นลเลยสาธุพร้อมๆกันที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้ ว, ปลวเป็นธรรมบัญญายของหลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมชัยชยะมังคโลเจ้า ว, วาดวัดดวงพ่อสดธรรมกายารามในเรื่องหลักธรรมสำหรับปีใหม่ว่าด้วยอภัยทาน ถ้ดได้บรรยายธรรมเรื่องนี้ให้แก่ท่านสาธุชนให่ได้ตั้งใจเข้าไปศึกษาและปฏิบัติสัธธรรมทำบุญให้ฐานรักษาศีลและเจริญภาวนาธรรมในวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคมศกนี้ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ท่านสาธุชนเหล่านั้นเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะคำสอนของอสรรมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถนำหลักธรรมนั้นไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตน ให้เกิดความสันติสุขร่มเย็นเป็นความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมสำหรับในช่วงปิดเทอมภาคฤ ด, ดูร้อนนี้ท่านสัตว์ชนผู้สนใจที่จะมีความประสงค์จะให้บุตรหลังท่านได้ใช้ระยะเวลาว่างในช่วงปิดเทอมภาคฤ ด, ดูร้อนนี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ขอเชิญพาบุตรหลังท่านไป เข้ารับการอบรมเยาวชนและโบชถ์สมเณรภาคฤดูร้อนได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรมกายยารามอยู่ในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอตะบนสะดวกจังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่สถึงวันที่24เมษายนจนศกนี้ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามในวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพปากน้ำท่านได้ถ่ายทอดสั่งสอนอาไว้ ประการที่2เพื่อที่จะฝึกอบรมจิตใจของเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพเช่นมีความเข้มแข็งมั่นคงสงบสุขผ่องใสอดทนมีสติและมีสมาธิและ อ, อีกประการหนึ่งเพื่อฝึกอบรมปัญญาให้รู้เท่าทันเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและความทุกข์ฉะนั้นท่านสาธุชนผู้สนใจก็ขอเชิญภาพลังของท่าน ไปเข้ารับการอบรมเยาวชนและบูสามรณเนนภาคฤดูร้อนนี้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามอําเภอดำเดนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอยู่ริมถนนสายบางแพรด่ดำเนินสะดวกมีรถประจําทางสาย78ผ่านหน้าวัดในรวันที่3ถึงวันที่24่สิสเมษายนศกนี้ได้สําหรับรายการธรรมะสุขันตอยู่วันนี้ก็หมดเวลางแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิน จเจริญพร